เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในป่าประดู่ลายใกล้เมืองโกสัมพีได้ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลายเล็กน้อยใส่กมพระหัตแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบประดู่ลายในพระหัตกับในป่าไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าในป่ามากกว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ แต่ไม่ได้ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายในป่าส่วนที่ทรงสั่งสอนน้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถและตรัสแสดงเหตุผลในการที่ไม่ได้ทรงสอนทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่าเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์มิใช่หลักการดาเนินชีวิตอันประเสริฐไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายคือนิพพานได้